ก็ความสุขความเจริญจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณแด้นำเสนอบารมีธรรมหรือเรียกว่าพุทธการกะบารมีหรือพุทธการกะธรมรมคือธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้ามาโดยดําดับมาถึงกลุ่มของพวกอุปการะบารมี ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องใช้ไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็อถึงบทวิริยะหรือวิริยะบา ร, รมีบา ร, รมีคือความเพียรพยายามผลตั้งหลายจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นผลอะไรก็ตามล้วนต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายาม พระพุทธเจ้าเป็นหลักการให้บุคคลทั้งหลายได้มองเห็นว่าผลยิ่งสูงมากขนาดไหนเหตุคือการใช้ความเพียรพยายามจะต้องมากขนาดนั้นบางครั้งบางคราวถึงอาจจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหรือเสี่ยงไปเสี่ยงชีวิตเพื่อบรรลุผลที่ตนต้องการการบำเพ็ญเพียรระดับที่เรียกว่าจาตุรงกบมบาประธาน คือความเพียรที่ประกอบด้วยแรงอธิษฐานแล้วก็ตั้งพระไทยเด็ดเดียวก่อนที่จะสัสรูเป็นประกุธเจา้าในขณะที่เสด็จประทับณภายใต้ต้นพระสีมาโพนั้นได้ทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อในกายกเราจะเกิดแท้งไปยงางเหลือแต่หนังเอกระดูกก็ตามหากว่าไม่ได้สัสรูก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากอัศนะที่นั่ง สุดเราจะเห็นว่าเป็นความเพียรในลักษณะที่ยอมตายแล้วก็มีทางออกอยู่ได้สองทางกันนั่นเองคือไม่ตายก็ได้จัดสรุปถ้าไม่จัดสรูปก็คือตายแต่ว่าการตัดสินใจทำความเพียรระดับนั้นไม่ใช่ว่านึกๆึกจะไปตัดสินใจเอาไม่จะท่องผ่านระบบการการกร้างมาชัดเจนถูกต้องแล้วก็ทุพพวนวเหตุดยผลหลายครั้งหลายคราวด้วยกัน ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางทฤษฎีแต่ส่วนหนึ่งจะต้องเป็นประสบการณ์หมายความว่าตนเคยประสบภากสนามมาแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาเราเรียนมาด้วยมาเป็นการเสริมมาเกิดความเชื่อมั่นรวราโดยจเจตว่ากระบวนการตรงนี้ที่จริงไม่ใช่มาเฉพาะความเพียรเพียงอย่างเดียวแต่มันผ่านการการนกรองที่เราเรียกวิมังษา คือตรวจสอบพิจารณาเทียบเคียงสอบทานแล้วก็ทดสอบทดลองมาโดยลำดับแล้วแล้วก็มาจับสิ่งเหล่านั้นตัดต่อปฏิปปะต่อกันจนมากลายเป็นความพอพระทัยที่จะดำเนินไปบนเส้นทางแสนั้นแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามไปโดยในหยาดดังกล่าวความมุ่งมั่นนั้นเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นสูง แล้วก็วุ่นไปสู่ผลสําเร็จแล้วในที่สุดก็ประสบความสําเร็จอย่าที่เคยบอกท่านไว้ว่าธรรมะสามข้อเนี่ยคือสติปัญญากับความเพียรหรือเราอาจจะเรียกว่าสติสัมปญญาความเพียรหรืออาจจะเรียกความเพียรโดยชื่ออื่นก็ได้นะะแต่สรุปว่าเป็นธรรมะหลัก สติสัมปชัญญะความเพียรนั้นเป็นธรรมารักเราพบปรากฏในที่ต่างๆเช่นยกตัวอย่างในหมาสติปัฏฐานสูตรซึ่งนิยมยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติกรรมฐานกันทั้งส่วนสมถกรรมฐานและพิปัสชนากรรมฐานพระเจ้าทรงสแสดงในรูปของเรียกว่าเป็นเอกายธรรมะคือทางอันเอกในตรงนั้นก็ทรงสแสดงธรรมะสามข้อ แต่ว่าทรงใช้คำไม่ไม่เหมือนกันใช้กรม่าอาตาปีสัมปชาโนโอสติมาเพราะเป็นการพูดระดับมีสติระ ล, ลึกรู้เท่าทานันต่ออารมณ์ที่กำหนดระลึกหรือมีปัญญาแยกแยะตรวจสอบสิ่งที่กำลังใช้ปัญญาพิจารณาโดยมีความเพียรเป็นพลังขับเคลื่อนแล้วก็จะต้อง อ, อจริงจังมากผมก็ทรงเรียกความเพียรว่าอาตาปี อตาปีหรืออัตาปะที่เปลว่าความเพียรซึ่งมีพลังแรงกล้าสามารถขจัดเผาทำลายความเกียดคร้านให้มาลายหายไปได้แต่ว่าความเพียรมีกำลังหย่อนไม่สามารถเผาทำลายความเกียดคร้านและตลอดถึงสรรพกิเลสอย่างอื่นได้มันก็ไม่สามารถจะต้านทานแรงผลักดันของกิเลส ท, ที่ตนต้องการจะทำลายได้ สัมปัญญาทรงใช้คำว่าสัมปชันะซึ่งก็หมายถึงปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่มีลักษณะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ทันทีทันใดเป็นรู้เท่าทันในขณะจิตแม้จิตเป็นขณะนี้รู้เท่าทันบางครั้งเราใชา้คำว่ราระลึกรู้คือมาความรู้เท่าทันจิตเป็นยังไงจิตมีราคาไม่มีราคามีโทสะไม่มีโทสะ ม, มีโมหะไม่มีโมหะจิตโหทูจิต เบิกบานแท่มชื้นอะไรก็รู้ทันแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีตรงนั้นซึ่งาอาจจะเทียบเคียงกับคนที่ขับรถเร็วถึงกระหม่อความมันจะต้องมีความชานิชํานาญมากเป็นพิเศษแล้วก็บางส่วนมันเคลื่อนไหวได้แบบอัตโนมัติแต่ว่าการขับรถเร็วมันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะฮะเพราะว่าไปไว้เนื้อเชื่อใจกรงหยดกลไกมากมันก็ไม่กระได้เหมือนกัน เราอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเครื่องล้อเป็นต้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาถึงมันผิด ก, การใช้ธรรมะธรรมะนั้นเขาไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราจ ะ, จะเจริญธรรมะเหล่านั้นให้ต่อเนื่องไปได้หรือไม่นั่นคือตัวประเด็นหลักแล้วก็สัมปชานะหรือสัมปชัจยะเนี่ยบางครั้งก็ใช้ปัญญาก็ได้ บางครั้งใช้วิชาก็ได้บางครั้งใช้สมาธิก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้นะมันก็คือปัญญาปัญญาสิกขาหรือปัญญาเจตสิกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีลักษณะความเคลื่อนไหวที่เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วความเข้มข้นของปัญญามีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันในขณะเดียวกันก็ชงใช้คำว่าสติมาก็คือมีสติ แล้วว่าคำตรงเนี้ยพอไปถึงอยู่ที่พอชงเราจะเห็นว่าคำมันก็เปลี่ยนไปบางคำเรียกว่าสติสัมโพชงก็คือสติมาแลปลว่าบีสตินั่นเองแต่ว่ามุ่งผลซึ่งมีความประณีตมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าแปลตามรูปศัพ์แล้วสติสัมโพชงแปลว่าองค์ธรรมเครื่องนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจรู้ธรรมคือสติกควายความก็เรียกสตินั่นแหละแต่ว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้น มีพลังมา ม, มีความรวดเร็วมั่งยิกอะมากยิ่งขึ้นกระจัดความเผลอเรือความหลงลืมความพลั้งพลาดได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียกสัมปชานะหรือสัมปชัญญะหรือปัญญานั่นเองแต่ว่าเรียกในภาคของการธรรมวิจัยคือวิเคราะห์ตรวจสอบธรรมะเพ่งพินิจดูธรรม ะ, ดดรรมะโดยหลักของ อาเดสะีดเป็นใหลักของใจรักเนี่ยเป็นเกณฑ์คือจะมองในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นนุกเป็นเ็เป็นทุกข์เป็นนัตตาแต่ว่าต้องเห็นตามความเป็นจริงจนสามารถบรรเทาลดละความรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้แล้วก็มาถึงก็วิริยะสำโพชงนี่ใช้คาเหมือนกันก็ใช้วิริยะเหมือนกัน แต่ว่าเปเพิเ่มเติมความเข้มข้นขึ้นแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ไกลคือการบำเพ็ญบารมีนั้นเป็นระดับที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเจริญวิญญาณสัมโพชงนั้นก็ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่จะตราบเท่าบรรลุผลที่ตนต้องการ ความเข้มข้นมันจึงแตกต่างกันแล้วเพื่อจะให้บุคคลเห็นว่ามันเป็นภาพเป็นรู ป, ปรธรรมที่มีความเคลื่อนไหวได้คือหมายความว่าพจน์คือภาษาเนี่ยภาษามันเกิดเป็นภาพที่เราเรียกว่าภาพพจน์เนี่ยคือเมื่อเมื่อใช้คําคํานี้ออกไปคนที่เข้าใจเนี่ยมันมันมันจะรู้ความเข้มข้นรู้อัตราความหนักเบาเช่นว่าจับค่อยๆจับแน่นๆ อจับให้มั่นคงก็เราจะเห็นว่าอาการเนี่ยมันจะต่างกันอย่าจับแรงๆอย่าดึงแรงๆเอาดึงเร็วๆดึงแรง ๆ, ง ๆ, ๆอะไรเนี่ยเอานะักคํานี่ยมันมันคำมันจะมีความเคลื่อนไหวให้เราเห็นว่าทํำยังไงจึงจะบรรลุผลตรงนั้นได้เพราะในอัตตกถาสติปัฏฐานเนี่ยนะฮะท่านได้จําแนกไม่ท่านท่า น, ท, านท่านจําแนกวิทยาสัมพุทธชงเอาไว้ในคํา ในกรอบความหมายซึ่งเราหนาศึกษาว่าการประบัติการปฏิบัติของเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าอยู่ในกรอบตรงนี้ได้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของวิริยะแต่บางอย่างมันก็สูงเหนือบารมีนะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบารมีอยู่นั่นแหละถ้ายังเป็นเหตุมันก็ถือว่าเป็นบารมีอยู่นั่นแหละประการได้ท่านเรียกวิริยลํภะ คือเริ่มลงมือทําความเพียรก็แล้วแต่เรื่องอะไรตัวนี้ที่จริงแล้วแต่จะใช้เรื่องอะไรจะเริ่มอ่านหนังสือเริ่มทํานาเริ่มทําสวนเริ่มขับรถเริ่มอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องมีความต่อเนื่องสําหรับในที่นี้ท่านเน้นไปที่การกําหนดนามรูปคําว่านามรูปนั้นเราจะคุ้นๆ น, นะในภาษาท่านคลังใช้ในระดับอริธรรม บางครั้งเราอาจจะพูดว่ากายกระจบางครั้งเาอาจจะพูดว่าขันห้าบางครั้งอาจจะพู ด, ร, จจพดรูปนามบางครั้งอาจจะพูดว่านามรูปก็แล้วแต่หรืออาจจะพูดว่าสสารกับพลังงานแต่จะต้องเข้าใจนะฮะว่าถ้าจับประเด็นง่ายๆคือไม่ต้องไปท่องอะไรมันมากบางทีเราก็ไปท่องกันจนเหนื่อยไปเพื่อาเรามองนามรูปโดย อาศัยประสาทสัมผัสเป็นตัวกำหนดกระตาสัมผัสเราก็มีมีหกนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายวานในห้าข้อแรกเนี่ยสิ่งสัมผัสทางประสาทห้าแรกคือตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ารูป เพราะอะไรเพราะเราสัมผัสด้วยประสาททั้งห้าแล้วก็ประสาทนะไม่ใช่ตัวตาแต่ประสาทตาประสาทที่ทําให้เห็นรูปประสาทที่ทําให้ได้ยินเสียงเวลาเรียนในบาลีจริงๆเนี่ยท่านจะไม่เรียกตาหูเฉยๆแต่จะเรียกว่าจากขุประสาทโสตาประสาทขานาประสาทจิวหาประสาทกายาประสาทเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันตัวประสาทคือเส้นประสาทต่างๆเนี่ยเป็นตัวรับรู้ในเรื่องเหล่านั้น แต่ตัวรู้จริงๆก็ไม่ใช่รู้จริงๆมันเป็นจิตแต่ทำหน้าที่รู้เพราะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวความรู้หรือสิ่งที่รู้เนี่ยตัวสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเป็นรูปแต่ตัวความรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นนามเพราะงั้นก็สรุปว่าภายในใจเราเนี่ยก็เป็นนามใจเองมันเป็นนาม แล้วก็สิ่งที่ใจรับมาทางประสาททั้งห้าสิ่งที่ใจจําสิ่งที่ใจคิดสิ่งที่ใจรู้พวกนี้ก็เรียกสรุปมันไปเป็นนามทีนี้เราก็ยกรูปรูปนามเหล่านั้นะขึ้นมาคิดขึ้นมาพิจารณาก็แล้วแต่ว่าจะใช้ในกรณีไหนนะคคือไม่ใช่ขีดเส้นเอาไว้ที่จริงไม่ใช่ว่าจะต้อง มองระดับนามมารูปจะนาเห็นไรลักษณ์ไปอย่างเดียวคือยังไงก็ตามให้มันมีความชัดเจนในเรื่องรูปนามเหล่านั้นสมมติว่าเราใช้ระดับประสาทสัมผัสมันริเริม่มลงมือทำความเพียรในการแยกแยะสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้า แยกแยะชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็พยายามแยกแยะชัดเจนเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมนี้ไปเผาศพหลวงพอ่อเจ้าคุณโสพลสมาธิคุณสิวัฒเจมุนก็ในขณะที่เดินเข้าแถวขึ้นไปเผาศพ ก็ได้ยินพระผู้ใหญ่หลายรูปนะฮะท่านท่านก็ถามมาว่าเออรายการตามาเก่น์ทรในขก็หาอะไรกันรู้สึกมันลุกยากวุ่นวายเหลือเกินคนไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปพูดไปอภิปรายออกมาทางโทรทัศน์มันเกิดความสับสนค้นี้เราจะเห็นว่าคนจะพูดเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันต้องมีวิริยลัมภะคือปรารถรี่เริ่มศึกษาค้นคว้าซะก่อน เราจะพูดเรื่องอะไรพูดอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรตัวเองเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาและยังนึกนะฮะวันก่อนรู้สึกจากที่ลาปางอทธินาครแล้วก็เป็นชาวบ้านปฏิเสธเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์หน้าเฉยตาเฉยไม่มีไม่มีอยู่จริงๆเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะฮะแล้วยิงพูดว่ามีหรือไม่มีเนี่ย ถ้าเรายังไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรแล้วเราจะไปวินิจัยวันรู้มีหรือไม่มีได้ยังไงมันต้องเข้าใจลักษณะนรกเข้าใจลักษณะสวรรค์แล้วก็พูดถึงนรกสวรรค์ในเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนระดับท่านดังน้อยนี่ต้องได้อภิญญากร น, นะนะต้องได้ปฏิบัติพัฒนาจิตใจมาจนถึงระดับอภิญญาก่อนจึงจะมีก็เรียกว่าจตุกวาปาตยาน รู้การจับแน่แยกแยะเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมแล้วก็เชื่อมยองผลไปหาเหตุเชื่อมโยงเหตุไปเป็นเหตุไปหาผลได้เนี่ยเพรา ะ, ะนั้นมันต้องริเริ่มอะไรก่อนหลังในเรื่ององกันแล้วลองดูถึงว่าวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิธีการของมหาบุรุษแล้วก็ไม่ตรงกับชาวบ้านเราไม่ตรงกับพวกเราเนี่ยพูดง่ายว่าไม่ตรงกับแทบจะทุกคนเนี่ยทาไป คือคนแบบประโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะคิดก่อนคิดแล้วก็ทำพิสูจน์ทฤษฎีที่ตนเองคิดแต่พิสูจน์จนลงตัวตอนนี้จะไม่พูดอ่ะแล้วเมื่อพูดนั้นหมายความมาลงตัวแล้วดังนั้นเราลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะรับสั่งเรื่องนรกเรื่องสวรรเรื่องอะไรต่ออะไรนี่หลังจากจัสรุแล้ว แล้วก็เป็นความรู้ที่ลงตัวอย่างนั้นผ่านกระบวนการตรวจสอบทบทวนพิจรารณาถอยหน้าถอยหลังได้ตลอดเห็นเป็นว ง, งจรที่ไม่รู้จักจบวันความเพียรตอนนี้มาทำความเพียรพยาบาในการคิดแต่มันเป็นระบบเถอะกันแล้วก็ลงมือพิสูจน์ทดสอบตามทฤษฎีตรงนั้นวานเรื่องมันเรื่องที่จริงถ้าเรา อย่าไปอวดเก่งไงมากเกินไป่ะนะว่าเราไม่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครคนในโลกนี้มีใครน่าเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าและเราก็ปฏิเสธคำสอนของพระองค์ก็ทำส่วนลําพังก็ทำไปก็อยากจะตกนรกหมกไหมอะไรก็ทำไปแต่ว่าอย่าชวนคนอื่นนะ วิเจ้าทรงแสดงไว้ในอภรรักษานินี้ชัดเจนมากเลยทรงยืนยันถึงความมีอยู่ของเรื่องสิบเรื่องซึ่งถือว่าเป็นระดับสินธรรมจนยานะครับการให้ทานมีผลการบูชามีผลกิจกรรมต่างๆมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทำทั้งหลายของสัตว์นั้นมีผลดีก็มีผลไม่ดีก็มีผล แล้วคนเราตายแล้วก็เกิดอีกก็มีท่านที่รู้ดีรู้ชอบดูตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นในรูปตามก็มีนี่เป็นข้อแรกที่สรงสอนว่าถ้าจับหลักอะไรไม่ได้เนี่ยอย่าทำให้ผิดทีนี้ถ้าใครไปเห็นตรงกันข้ามไปเห็นว่าไม่มีเนี่ยส่งแสดงว่าเป็นความเห็นผิดถ้าไปคิดว่าไม่มีเนี่ยส่งใช้คำวิชาสังกัปปะคือดาริผิด ถ้าไปพูดไปคัดค้านไปแสดงวัฏฏะโอหันว่าไม่มีเนี่ยเป็นมิจฉาวาจาคือวาจาผิดแล้วไปชักชวนแนะนําบอกกล่าวให้คนอื่นเห็นตามคล้อยตามตัวเองว่าสิ่งทั้งสิบประการนี้ไม่มีรับสั่งว่าคนเหล่านี้ชื่อว่ามีวัฏะเป็นฆ่าศึกกับพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกคือตรงกันข้ามพูดตรงกันข้ามกับพระอรหรันต์ การยืนยันว่ามีเราปฏิเสธเราไม่มีประเมินตัวเองสูงเกินไปไปเทียบเคียงกับสัพพัญญุตญาณ น, นะสติปัญญาเราก็ขนาดมนเมล็ดพันธุ์ปากกาไปเทียบสัพพัญญุตญาณนนีะ่มันก็เกินกําลังไปหน่อยจะประสบบาปกรรมต่างๆเปน็นอังมากเพอาการเหล่านี้ยการริเริ่มจะทําเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลําดับขั้นตอนอะไรก่อนอะไรหลังอะไร พระพุทเจ้านั้นท่านเหมือนกับคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงมองเห็นทิวทัศน์สิ่งต่างๆจากที่สูงแล้วก็ลงมาบอกเราซึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยว่าพระองค์ยืนตรงนั้นก็เห็นถึงนั้นถึงนั้นถึงนั้นเราก็คงทําได้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือขึ้นไปยืนในจุดที่รับสั่งไว้เห็นแล้วก็ต้องมองไปทิศเดียวกันโดยตาเราไม่บเบละ แล้วก็ถ้าไม่เห็นก็ค่อยว่ากันแต่ปัญหาสำคัญว่าคนที่เดินไปบนเส้นทางเดียวกับพระพุทธเจา้าไม่มีใครเคยคัดค้านพระพุทธเจานะ้านะฮะบางคนที่คัดค้านกนา็น่าวิเคราะห์ตัวเองเหมือนกันว่าเราเนี่ยเป็นชาวพุทธจริงหรือเปล่าแล้วเราเชื่อในสัพพัญญุตยานหรือเปล่าเราเชื่อพระพุทธศาสนารูอไม่ เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเลึกชาติก่อนได้ไหมคือถ้าประเด็นตรงนี้มันไม่มีในหลักการตรงนี้ไม่มีเนี่ยก็คงจะยากนะคงจะพูดจา ก, กันยากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมจะขึ้นไปยืนบนจุดที่ท่านบอกว่าท่านเด่นเนี่ยเราต้องใช้ความเชื่ อ, อถ้าเชื่อก็ไม่ยอมเชื่อขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เป็นไปตามกรรมของตัวเองแต่ที่สําคัญเวลาเนี่ยคือเอามาออกอากาศ ออกมาพิปลายแล้วก็ปล่อยให้ใครต่อใครไม่รู้่เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นใครมาจากไหนแล้วนับถือพุทธหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยทาไปอนะฮะคือคนเราที่จริงเราก็ไม่รู้ว่าใครนับถือศาสนาอะไรอย่างคนอิสลามคนซิกเนี่ยะคนซิกคนฮินดูคนอิสลามอย่างดูง่ายนะฮะอย่งดูง่ายเว่าะเขานับถือศาสนาอิสลามศาสนาชิกศาสนาเชนอีกพวกหนึ่งก็ดูง่ายดูออก พปเห็นปั๊บเราก็รู้ศาสนาเขาชาวไทยเนี่ยเรารู้เราเขานับถือนับถือคริสต์หรือนับถือพุทธหรือว่านับถืออะไรอะ่ะมันไม่มีหลักอะไรเลยอะนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการนับถือบางอย่างมันก็นับถือไปตามประเพณีแต่เองแม้บางครั้งบางคราวอายุอานามก็จะมากกว่ามากไปอย่างนั้นเองเพราะว่าอายุเนี่ยมไม่ต้องลงทุนอะไรนะฮะคือพยายามหายใจไปเรื่อยๆอายุมันก็ได้อยู่เรืยๆ แต่ปัญหาสาคัญว่าการริเริ่มที่เป็นสัมมาวยามาคือความพยายามในทางที่ชอบนั้นเป็นภารกิจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะต้องพยายามเดินโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าตามกบบาลังความสามารถถึงตนทั้งฟังทั้งหลายแ ร, รมมรโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้